เอาน่าย่าซีเรียกเรื่องผู้อำนวยการคนเก่งคนราวนี่แปลกคิดว่ากูถูกด่าเลยเป็นทุกข์ มีอยู่วันหนึ่งฝรั่งมายืนด่าผู้อำนวยการแบบสาดเสียเทเสียผู้อำนวยการฟังไม่รู้เรื่องเขาด่าจนเมื่อยปากก็ยังไม่โกรธจนฝรั่งหยุดดา่าแล้วเดินผ่านไปคนข้างๆซึ่งฟังภาษาอังกฤษ ร, รู้เรื่องออกปากชมว่าแหม่ท่านผู้อำนวยการเป็นคนดีจริงๆ ฝรั่งด่าพ่อหล่อแม่ก็ไม่โกรธด่าโคตรเงาก็ยังยืนฟังอยู่ได้ท่านนี้จิตใจเป็นเลิศผู้อำนวยการตกใจพูดว่าฮะตะกี้นี้มันด่าฉันเหรอผู้อำนวยการโกรธจนหูแดงสอดสายตาหาฝรั่งจะเอาเรื่องกับฝรั่งคนนั้นให้ได้ฝรั่งหยุดด่าตั้งนานแล้ว ตัวกูพุ่งโผล่พรวดขึ้นมานี่เห็นไหมอำนาจของตัวกู